อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินทุวณิกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมนะคะเป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน6ค่ะ วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมนะคะเนื่องจากว่าอวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะดังนั้นก็อเดือนนี้ก็จะมีอเรียกว่ามีห้าอาทิตย์แต่มีแค่สี่เสาร์นะคะค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันเดือนปีนะคะเพียงแต่เกิดในที่ผู้ฟังได้รับทราบเท่านั้นเองเพราะว่าหลายท่านแม้แต่ตัวของเดิ้นเองเนี่ยบางทีเราก็ จำวันเดือนปีบางทีไม่ค่อยได้เพราะว่ามันอาจจะงานเรายุ่งหรืออะไรนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะบอกเพียงแต่ว่ารายการธรรมรารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่8พฤศภาคมนะคะเป็นวันขึ้น6ค่าเดือน6นะค ะ, ะปีเถาะค่ะซึ่ง ในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะอาจจะช่วยอย่างนี้ท่านที่เป็นแฟนรายการประจำของรายการธรรมราบรุามากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นสิทธิเอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดพิโทภิโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศ ซึ่นตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะก็ขอนำามผู้ฟังมากลับน้มสักการท่านพร้อมกันเลยนะคะกลับน้อมสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะเอเจ้าค่ะเมื่อานี้เราสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของอะละครเรื่องดอกส้มสีทองนะเจ้าค่ะซึ่งก็พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะที่แนะหลายประการในประเด็นที่เป็นที่โจทย์ขานกันของละครเรื่องนี้ ก็เรื่องแรกก็คือเรื่องการที่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยประพฤติปฏิบัติแย่มากๆกับตัวคนที่เป็นมารดาของตัวเองนะเจ้าคะอ่าแล้วก็ประการที่สองก็คื อ, อความประพฤติของตัวเอกในละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นไปนในทางที่อ่าค่อนข้างจะหมกมุ่นในกามนะเจ้าคะอันนี้มาถึงกามทั้งในด้านของพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของเมญทุนธรรมระหว่างคนสองคนแต่อันนี้ไปล่วงละเมิดที่จะไปแย่งสามีคนอื่นแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่แย่มากๆแล้ว พระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมให้คำแนะนำหลายเรื่องละแต่มาถึงจบกันด้วยสุดท้ายที่ว่าสำหรับคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภรรยาหลวงภรรยาน้อยเองหรือแม้แต่สามีนะเจ้าค่ะคนกลางรวมทั้งปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยพระอาจารย์เกิดไว้แล้วว่าจะมาชี้แจงวันนี้ว่า แนะนำว่าจะทําจิตใจอ ย, ย่างไรเจ้าค่ะถ้าหากว่าเกิดว่ามีปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้เนี่ยทำยังไงจิตใ จ, จเราถึงจะเข้มแข็งมีกําลังที่จะปฏิเสธเรื่องที่ไม่ดีนี่ดีทั้งหลายเหล่านี้เจ้าค่ะจา<ช>บนิมมสการเจ้าพระอาจารย์ได้ชี้แจงเลยเจ้าค่ะใช่อันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ฟังทราบ พ, พื้นฐานของจิตวิญญาหนึ่งอย่างอคนสามคนที่เกี่ยวข้องกันในในระบบของ อ่าเรื่องเนี้ยในในโครงสร้างของตัวละครเนี่ยนะก็คือคนแรกเนี่ยคนที่เป็นกิ๊กนะค่ะผู้หญิงที่จะไปทอดสะานในขาวคนที่สองนี่คือผู้ชายที่ถูกเข้ามาทอดสพานให้ที่มีปรรหายอยู่แล้ว <Okay. S 2> ลคนที่สามนี่คือเมียห ล, ลวงทั้งสามคนเนี่ยจะอยู่ในสภาวะจิตที่ไม่เหมือนกันนะคนแรกอย่างที่ได้พูดเปแล้เนี่ยคือตัวกิ๊กเนี่ยนะโอเห็นผู้ชายคนนี้เขาเป็นชอบมากมากเลย <c oughs> ชอบจนขนลุกว่า ง, งั้นเถอะ <c oughs> นะมัน มันเป็นตัวสัน่น <c oughs> เราจะแก้ไขจิตของเขายัางไงถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์อย่างเนี้ยคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยไปชอบผู้ชายที่เขามีมีสาวมีปรรยาอยู่แล้วเนี่ยชอบจนตัวสั่นเนี่ยมันตัดใจไม่ได้เนี่ยแหมมันมันจะแก้ไขจิตเราอย่างไงอันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองตัวผู้ชายอ่ะคุณมีภรรยาอยู่แล้วมีลูกด้วยนะคุณก็แมาต้องเป็นสิบปีใช่ไหมเข้บควรมันก็มีความจุขดีอยู่ๆมีคนมาทอดสะพานให้ทั้งสวยทั้งสาวทั้ง แหม่มีคุณสมบัติทุกอย่างบ้างันะที่ผ<จ>ู้หญิงมันจะมีกัน<จ>ะอะไรที่เล็กก็เล็กอะไรที่คนจะใหญ่ก็ใหญ่เนาะเจ้ค่ะอันนี้เป็นคํมมาอธิบายของพระเจ้านะที่ว่าคนรูปงานเนี่ยอะไรที่เล็กก็เล็กอะไรที่คนใหญ่ก็ใหญ่อะไรที่ดาก็ดําอะไรที่คนรขาวก็ขาวจะอธิบา ย, ยนะนะเดี๋ยวจเจ้าค่ะใช่ค่ะเดีแต่มาก็พูดตามพระเจ้านะเจ้ค่ะทีนี้เราผู้ชายเองเนี่ยจะทําอย่างไรหตกอย่างนสภาพอย่างนี้จะทําจิตอย่างไรให้ สูงขึ้นไม่ให้อยู่ก้าวเข้าไปในปัญหาหรือถ้ามีอยู่แล้วเราจะแก้ไขยังไงเจ้าค่ะอันดับที่สามคือตัวภรรยาเอกคนที่อ่ามีชีวิตอยู่ด้วยกันมานสามีของเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบปีแล้วมาพบข่าวว่าโอ้โหสามีไปเป็นอย่างนี้มันชี้มากเลยเจ้าค่ะ ม, มันจะเทืยนใจมากๆนะาที่มีลูกด้วยกันมีอะไรต่างสร้างสมบัติม า, าแต่กลกลายมาสุ่พลายศักดิ์หลังแต่มัน หยัดช้ำน้ำใจมากเจ้ค่ะผมหัวตั้งเลยแหละว่ามันเถอะเจ้าค่ะถามว่าบุคคลทั้งสามอย่างนี้นะทั้งจัดในเรื่องทั้งหมดสามอย่างเนี่ยเขาจะมีสภาวะจิต ท, ที่ไม่ ป, ปกติแน่นอนเจ้ค่ะเนี่ยคือไม่ ป, ปกติยังไงเพราะคนปกติก็จะมีสีนกันนะจิตใจเขาจะไม่โกรธมากไม่อัดจ้าดมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะสามารถทําจิตยังไงเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยอในตัวของผู้หญิงเองผู้หญิงที่เป็นเิ๊เองเนี่ย ไม่ไปทอดสะพานให้เขาไม่เป็นมีความอยากในเรื่องที่ผิดศีลจุดติดศีลทำนะคุณจะต้องมีกําลังจิตในการที่จะปฏิเสธตรงนี้ <Okay. S 2> นะในการที่ออกจากการส่วนฝ่ายชายเองคุณต้องมีกําลังจิงใจนะงตในการที่จะเรียกว่าไม่เอานะเรื่องผิดศีลน้อไม่ทําคุณต้องมีกําลังจิตในการที่จะปฏิเสธนะฝ่ายหญิงก็เหมือนกันจะต้องฝ่ายหญิงที่เป็นภรรงานหลวงศิลของคุณเนี่ยจะต้องมีกําลังในการที่จะริยะควบคุมอารมณ์นะถ้าเราโผผันออกไปจะมีแต่เสียมากขึ้น มี่งถ้ามีเพื่อนไม่ดีพาไปทาผิดนี่ยิย่งหลายเข้าไปใหญ่ดัง <Okay. S 2> นั้นตรงทั้งสามอย่างเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่ากําลังจิตทั้งนั้นหลดนะซึ่งเรื่องของการสุกจิต เ, เป็นเตือนใจที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ย ก, <Okay. S 2> ก็การทําสมถาวิปัสสนาเราจะสามารถทาให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติได้เป็นจิตที่ประพัดสอนนะไม่รุนเรตั้งมั่นโดยชอบได้ซึ่งจริงๆตรง น, นี้ต้องพูดให้ฟังท่านฟังฟังว่าบางคนบอกคนมานั่งสมาธิฝึกจิตเนี่ยเหรอ เป็นเรื่องของคนแก่เข้าวัดนูน่นเสียแล้วค่อยไ ป, ไ, ปไม่ใช่เลยนะคนธรรมด า, าคุณทํางานอยู่ในสํสานักงานเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นนักกีฬาที่เล่นกีฬาเนี่ยคุณจะเล่นกีฬาได้ดีคุณจะขึ้นไต่บันไดของบริษัทขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานระดับสูงได้หรือว่าคุณจะเรียนเก่งไม่เก่งติดต้องมีกําลังเท่านั้นค่ะแล้วนคนบอกว่าของธรรมะเหรอสูงเกินไปนั้นไม่ได้หรอก เลยถึงเวล า, าลวยังไม่แก่เลยไม่ต้องมีธรรมะเจ้าค่ะเอ่ะหรือว่าโอ๊ยฉันเหรอเข้าวัดไม่ได้หรอกบัสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมใช่เลยเป็นเรื่องสุดจิตที่เราต้องมีอยู่ทุกวันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดจับเรา ม, มากๆเลยถ้าจิตเราไม่มีกําลังดูสิถ้าขับรถไม่มีสติดูสิธส่วนตู้น่านีไอ้ที่มีอุมารที่ไหนทุกวันนี้ก็เพราะคนขับเนี่ยขาดสติกันมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยที่เราไม่ควรมองข้ามว่าเป็นสิ่งที่ ต้องมาภายหลังอะไรต้องทำวันนี้เดี๋ยวนี้หรือเช้ามาต้องทํานะเย็นก่อนนาต้องทำเหมือนกินข้าวคุณเตือนใจเจ้าค่ะใช่ไเรากินข้าวมัะกี่มื้อสามมื้อเรากินข้ามือเราก็เหมือนการธรรมะเราก็ต้องเอาอาหารให้ใจโดยการให้ธรรมะใช่ไหมเพราะว่าถ้าใจเราไม่มีธรรมะเนี่ยมันเสียหมดทุกย่าแต่ตอนที่คุณมีเงินแค่ไหนอย่างคนรวยๆอ่ะขอโทษแต่นะคุณเป็นใจคนรวยๆถ้าคุณเป็นอมพาตะอมพลึกเนี่ย คุณไม่มีโอกาสใช้ทัพที่คุณมีเลยล่ะจูกค่กะสุภาพไปเพื่อสตงประเทก็ไม่ได้ไม่มีความสุขเกิดกับทรัพย์ที่มีเหมือนกันกถ้าเรามีความสุขในสิ่งรอบๆเนี่ยมีความสุขต่างๆหูจมุกลิ้นกายเนี่ยแต่ถ้าใจเราไม่สุขเนี่ยเราให้คุณนอนเตียงที่แบบเขามีเตียงที่ทําจากขอบขนคอแผ้งมาอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นเตียงที่หลังเราจะเป็ น, นแสนๆเนี่ยถ้าคุณตัวคุณเป็นกิจเป็นเป็นไข้เขาเรียกว่าโรคอะไรอ่ะที่ตัวมันเป็นจุดๆอ ืมจ้าค่ะอ่านั่นแหละนอนอยังไงต่อให้นอนเต็มไหนก็ไม่สบายจ้าค่ะเหมือนการจิตของเราถ้าเราไม่จิตที่ไม่มีความสุขเนี่ยต่อให้คุณมีความสุขเครื่องมืออำนวยความสะดวกอย่ลังจ่าเท่าไหร่จิตมันก็ไม่มีความสุขเจ้าค่ะเนะ่วิธีการสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วคนนี่ไปเหยียบโลกประจันแล้วนะจ้าค่ะยี่สิบปีที่แล้วไม่มีใครเชื่อนะเจ้าค่ะนะในขณะที่ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยก็ไม่เห็นจะสุขมากกว่าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเ่าไหร่อืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถามว่า เราจะฝึกสิตอย่างนี้ตรงนี้อย่างไรของเราเนี่ยให้มันมันดีขึ้นมาได้นะครับผู้เช้าก็ได้ให้วิธีการแบเรียกว่าการทําสมาธิวิปัสสนาหรือสมาธิวิปัสสนาบาท่านเถอ <Okay. S 2> นะจุกค่ะซึ่งเรงื่องตรงเนี้หลายหลายคนก็จ ะ, ะมีวิธีการหลายอยา่างใช่ไหมอ่าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ได้เขาเรียกว่าสอนเอาไว้วิธีการหนึ่งนั่นคือการใช้ลมหายใจนะในการที่จะเป็นทางที่ตั้งของสติ นะก็คือว่าเรามีสติในลมหายใจอบางคนอาจจะบอกว่าลมหายใจสังเกตลมหายใจเนี่ยเป็นสมาธิอย่างเดียวนะทีนี้ <Okay. S 2> ต้องเขาเรียกว่าอธิบายคําพูดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างสมถธิเนี่ยคือการทรําจิตเนี่ยให้สงบทำจิตนะให้นุ่มเพราะพระพุทธเจ้าใช้คว่ า, วาสมถาธิส่วน <Okay. S 2> คําว่าวิปัสสนาเนี่ยก็หมายความว่าการเห็นตามที่เป็นจริงทีนี้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วเสิดอะไรขึ้น คนเห็นตามที่เป็นจริงคุณเป็นใจจะสามารถปล่อยวางได้คนที่เป็นต้องการจะไปเป็นกิดเขาคุณเห็นตามที่เป็นจริงนะว่าสภาพอะไรต่างๆเป็นยังไงคุณจะปล่อยวางอารมณ์ตรงนี้ได้ปัญหาจะไม่เกิดคนที่เป็นผู้ชายมีคนมาทอดสะานให้คุณเห็นตามที่เป็นจริงนะว่ามันจะมีอย่างนั้นอย่างนี้ตามมาคุณจะปล่อยวางตรงนี้ได้ปัญหาจะไม่เกิดคนที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ยทราบแล้วหรือมาทราบทีหลังหรือเพิ่งกําลังทราบเนี่ย ถ้าคุณเห็นตามที่เป็นจริงคุณปล่อยวางตรงนี้ได้อ่ะคุณจะสบายใจได้แต่มันแก้ได้หมดอันนี้การเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะเห็นตามที่เป็นจริงได้อย่างไรพุทธชาติก็ว่ามันมีหลายอย่างเลยล่ะเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นตามที่เป็นจริงเห็นความเสื่อมไปของมันนันก็เรียกเห็นตามที่เป็นจริงบางคนก็จะบอกว่างั้นเห็นตัวเป็นของไม่สะอาดนะเช่นผมคนเล็บผนัง อันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้ติของเราเห็นตามที่เป็นจริงแต่บาคคนจะเอ่าบอกว่าเห็นการเกิดดับเห็นรูปนามอะไรต่างๆมีวิธีการปฏิบัติหลายอย่างเป็นใจก็ราะเห็นตามที่เป็นจริงหมดนะพระพุทธเจ้าเขานั่งอยู่ใต้คนไมโพธิ์นะพระองค์ก็เห็นความไม่เที่ยงนะมีสติหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงมีสติหายใจออกอันนี้ก็เห็นตามที่เป็นจริงนะนอกจากนั้นพระองค์ยังเห็นความดับความจางคลายความปล่อยว่านะของทุกสิ่งเลย คือจุดประสงค์เนี่ยเราไม่ได้ว่าเราก็เราไม่ได้ว่าต้องการสักแต่ว่าจะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงมันไม่ใช่นะจุดประสงค์ที่เราต้องกรารเนี่ยคือการปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางจากอารมณ์ทางาตาปล่อยวางจากอารมณ์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะว่า อ, อมานน่ยโยนดินใจมานเนี่ยมันจะคอยช่องกัเราอยู่ต่อไม่ขาดร ะ, ระยะมันไม่เอาช่องทางตาเข้าชียวทางหู เอาทางหูก็เอาทางสมุนไพทางร่า ง, งกายหรืทางใจเดี๋ยวนี้มันมาทางนี้นะมันไม่เอาเราทางโทรศัพท์มันก็เจาะเราทางทีวีมันไม่เอาทางทีวีเดี๋ยวมันก็มาทางอินเทอร์น เ, นเน็ตอย่างเงี้ย น, น ะ, <laughs> ยะมันคอยช่องอยู่เราอย่างไม่ขาดระยะคุณจำใจคำนี้เจ้าค <laughs> ่ะบางคนติดต่อเขาเรียกอินเทอร์เน็ตเอ็เเนใช่ไหม <laughs> ใช้เฟซบุ๊กใช้บีบีอะไรประเภท น, นี้นะค่ะมันเป็นช่องทางที่ให้ สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมเข้ามาได้ทั้งหมดนะพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียนเทียนอย่างนี้เหมือนกับเต่าตัวหนึ่งนะมาคอยหาอาหารอยู่ที่ดินดินลำธารตรงนั้นก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนะมาหากินอยู่ที่ดินลำธารเต่าเห็นสุนัขจิ้งจอกมาแต่ไกลก็รีบหดหัวเข้าไปในกระดองสุนัขจิ้งจอกก็เห็นเต่ามาแต่ไกลก็รีบวิ่งรี่เข้าไปด้วยหมายใจว่าถ้าเต่านะมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่ออกมานะ กัดตรงนั้นแล้วก็ฉุดคร้าออกมาจิตเจ้าค่นะนเหมือนการไอสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยมาเนี่ยมันคอยช่องอยู่ต่อจากเราไม่ขาระยะนะมันมาทางใดสทางหนึ่งนี่แหละแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยคือปิดข้างอินทรีย์ของเรานะปิดกั้นตาหูจมูกลิ้นกายควรจะปิดกั้นปล่อยบางตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีกําลังใจ น, นะไม่ให้อ่าสิของเราเนี่ยไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นผู้ชายมีคนมาทดส า, านให้แหมทําไมจะไม่ยินดีถ้าคุณยินดีสิ คุณถจะมีปัญหาเพราะงั้เขาจะเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางตรงนี้ได้อย่างไรนะต้องฝึกจิตนะผู้หญิงที่จะเป็นกิ๊กจะไปทอดสะพาในให้เขานะเพราะคุณชอบเขาจนตัวสั่นน่ะสินะคุณญิงจะไปทอดสะพาในให้เขาแล้วนะคุณจะปล่อยวางตรงนี้ได้อย่างไรเราก็ทําหน้าที่ของเราไปตามระบบระเบียบที่เราควรจะทำนะเรื่องสมาธิวิปัสนาเนี่ยบางคนอาจจะพูดถึงว่าอหายใจเข้าหายใจออกมาสังเกตลมหายใจเนี่ยเป็นแค่สมถะอย่างเดียว เป็นแค่การทําจิตให้สงบแต่ไม่ได้การเป็นเห็นการตามที่เป็นจริงอะ น, นี้ต้องปฏิเสธได้เต็มที่เลยเพราะว่าพระเจ้าเองเนี่ยเขาเองตอนตั้งอยู่ใต้ต้รนร่มไา้โพคือมันตรัสรู้เนี่ยก็ใช้อนาพานสตินะไ <Okay. S 2> ม่งั้นเขาคงจะบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ไดงไงใช่ไเพราะฉะนั้นอนาพานสติเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมถะและวิปัสสนาในตัวอืมคุณผู้คือคือสภาพของ ของการตามที่เป็นจริงเนี่ยนะมันมีอยู่ในทุกสิ่งอยู่แล้วไงคความไม่เที่ยงความเสื่อมไปเนี่ยมันมีอยู่ในทุกสิ่งที่เราจับเลยนะอาา ก, การถยนต์อากาศท้องฟ้าดินพวกเนี้ไม่เที่ยงหมดเลยนะขอให้นาฬิกาที่มันบอกเวลาเที่ยงตรงเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นสภาพความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นสภาพที่เป็นจริงที่มีอยู่ทุกขณะอยู่แล้ว บางคนบอกว่าจะต้องทําสมาธาิก่อนแล้วก็จะทําวิปัสนาหรือว่าบางคนบอกฉันจะทำวิปัสนาเลยคือมันต้องไปพรอมๆกันอันนี้พุทธิจารย์ตรัสบอกว่าสมถธาิและวิปัสนาต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปะทําไปพร้อมๆกันนั่นแหละเพราะว่าสภาพที่ตามที่เป็นจริงเน่ยมันมีอยู่ทุกขนาดอยูแล้ว mm แต่ที่เราไม่เห็นเนี่ยเพราะอะไรอ่าเราบอกว่าผู้ชายคนนี้หล่อหรือเกินชันชอบ ไม่เห็นตามที่เป็นจริงว่าเขาเขาต้องแก่อีกสิบปียีสิบปีข้างหน้าน่ะไออารมณ์ที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีแล้วมันก็เสื่อมไปนะคุณไม่เห็นตามที่เป็นจริงที่ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเน่ยคุณเส้นใจมันถึงมีปัญหามากมายขนาดนี้ในโลกนะะอพอที่ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเพราะว่าจิตคุณไม่มีสมาธิจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็ไม่เห็นตามที่เป็นจริงคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการฝึกจิตให้มีสมาธิโดยการที่ใช้ การสังเกตลงในใจจุกค่ะซึ่งตรงนี้เป็นทั้งสมถะหรือวิจารณญแน่นอนละ่ะจุกค่ะทีนี้คนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยก็เพราว่าเขาไม่มีความสุขในใจอ่ะคนไม่มีความสุขในใจคุเพื่นใจเขาต้องไปหาความสุขข้างนอกจุกค่ะหมายความว่าในใจเขาไม่มีความสุขใช่ไหมเขาก็ต้องไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูก ท, ทางลิ้นทางกายจุกค่ะความสุขทางเนื้อนหนังความสุขทางไปกินเหล้าเมาเบียอะไรอย่างนี้จุกค่ะที่เขาไม่มีความสุขทางใจเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่มีความสงบใจไม่มีความสบายใจ ที่เขาไม่ม <it> ีความสงบใจไม่มีความสบายใจเนีเพราะว่าเขามีความร้อนใจที่เขามีความร้อนใจเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปติดสีนนะติดสีนเล็กๆน้อยๆนั่นแหละคุณเตืนใจดีมดตัวหนึ่งฆ่าแมลงตัวหนึ่งทําอะไรไม่ดีที่มันติดสีนสักอย่างหนึ่งหนึ่งนะนะมันก็จะค่อยๆติดมากเข้ามากเข้าพอผิดมากเข้าบริบูรณ์แล้วจิตเราก็จะเริ่มร้อนเริ่มร้อนก็ไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจจิตก็ไม่สงบไม่สงบไม่เห็นตามที่เป็นจริงไม่เห็นตามที่เป็นจริงก็ ไปสร้างปัญหาต่าง ๆ, ๆเยอะแยะไปหมดเลยจค่ะค่ะแต่นี่ีแก้เนี่ยเราก็จะต้องเห็นพระเจ้าให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยโทษเล็กน้อยเราก็ต้องเห็นโทษของมันนะภัยเล็กน้อยต้องเห็นโทษนี้แก้ไขซะค่ะอย่างอย่างพระสงฆ์เราเนี่ยเป็นเป็นใจเราจะมีศีลหลายแบบนะศีลของพระนี่เยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะพูดนี่เป็นเป็นหมื่นหมือนค้ับหือมั้งจุกค่ะแต่ว่าข้อที่เรียกว่า ถ้าผิดแล้วคุณต้องมาประกาศความผิดของคุณนะมีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบข้อนะซึ่งอันนี้ผิดไม่ได้อ่ะถ้าผิดคุณต้องไปไปแจ้งความอืมแจ้งความหมายถึงว่าไปแจ้งความให้ให้เพื่อนเราฟังแล้วเราประกาศความผิดของตัวเองอย่างเงี้ยนะแก้ไขแก้โดยวิธีนั้นซึ่งศินพวกเนี้เล็กเล็กน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นยืมเดือดน้ําถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยเราจะค่อยผิดสินที่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนักขึ้นจนกระทั่งหลุดจากความเป็นพระอืมนะค่ะ พระพุทธ้าเปรียบเหมือนใบ ไ, ไม้ต้นไม้เนี่ยถ้าใบ อ, อ่ อ, อนๆหลุดใบอ่อนๆหลุดแล้วใบแก่หลุดใบแก่หลุดแล้วริงจริงน้อยๆ่ะจริงน้อยๆขาดแล้วกิ่งใหญ่ขาดกิ่งใหญ่ค่ะต้นขาดต้นขาดรากถอนรากถอนโคนเลยจู่ค่ะจู<ๆ>่ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันไอ้ภูเขาที่มะน่ะมันก็เริ่มจากเล็กๆใช่ไหมไหลมาไหลมายิ่งมายิ่งมาลงเขามามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจู่ค่ะจู่ค่ะังนั้นเราก็เหมือนกันเล็กๆน้อยๆเราเห็นโทษเราราีบแก้ไข จะ ท, ทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสบายใจจิตมีความสบายใจแล้วเนี่ยจิตจะมีความสุขมีความสุขแล้วใจของเราก็าจะสงบระงับพอสงบระงับได้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นได้เห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้ปล่อยวา ง, ไ ด, วางได้ก็แค่ปัญหาต่างๆในช่วยจิจตได้ตรงนี้มันต้องฝึกไงจุค่ะทีน<อ>ี้จุค่ะยมอยากขอถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านนะจ้าค่ะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนได้เมตตา แนะนำมานี้นะเจ้าคะหลายท่านฟังแล้วก็อาจจะบอกว่าแหมมันยากเหลือเกินคงจะทำยากจึงนียมอยากจะถามแทนนิดนึงเจ้าค่ะว่าอาล่ะสำหรับท่านฟังที่อาจจะเจอปัญหาอย่างประเด็นที่เรายก ข, ขึ้นมาในเช้าวันนี้นะเจ้าคะ แล้วก็พอฟังพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโดได้อสราระคาหรือว่าสนทนาธรรมมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะเริ่มต้นกลับตัวกลับใจใหม่เจ้าค่ะจะนับหนึ่งจะเริ่มต้นทํายังไงกันดีเจ้าคะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แจงตรงนี้นิดนึงเด <c oughs> ี๋คิดว่าจะมีประโยชน์แก่ทั้งผู้ฟังทั้งบ้านหลายๆท่าน นี่อาจจะคิดว่าเอาละเห็นโทษอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วแต่ที่การที่จะปล่อยวางเห็นตามที่เป็นจริงแล้วปล่อยวางได้จริงๆแล้วก็ละสิ่งนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าเราต้องมีกําลังจิตที่เข้มแข็งนะเจ้าคะทีนี้ถ้าจะเริ่มต้นทําให้กําลังจิตเราเข้มแข็งทำยังไงดีเจ้าคะสําสหรับครรวาทั่วไปเจ้าค่ะที่มีปัญหาก็คือถ้าเป็นวิธีการที่สามารถใช้ได้ทันที เหมือนกันบ บ, บ่หมี่ถือส้นเลยรูปเลยก <Okay. S 2> ็คื อ, อ <c oughs> ก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาดูสถานการณ์ก่อนท่าพ <c oughs> ุทธเจ้าเวลาพูดถึงปัญหาเนี่ยเอาคงจะพูดถึงสถานการณ์ก่อนแล้วก็อันดับที่สองถ้าเราเรารู้ว่าปัญหาเราคืออะไรใช่ไหมถ้ารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรจะได้แน่นอน <Okay. S 2> แต่บางคนยังไม่ท ร, ราบว่าตัวเองมีปัญหาอะไรด้วยซ้ำถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยเราตกอยู่ในสภาพความเป็นทุกข์เนี่ยอรมาจึงจะบอกว่าดีแล้วดีมากๆเลย เรารู้ปัญหาเรามีสภาพที่ไม่สบายใจอย่างเงี้ยดีแล้วว่าถ้าเรารู้เนี่ยเราจะแก้ได <Okay. S 2> นะ้อันดับต่อไปเราต้องรู้ว่าเหตุของมันคืออะไรนะไล่ไปเลยเหตุของมันคืออะไรบ้างอะไรทําให้เราตกในสถานการณ์แบบนี้นะต้องดูในสองแง่ ม, มุมด้วยคือเรื่องของกายเรื่องของสิ่งภายนอกนะเช่นว่าอนะเป็นเพราะเรื่องการเงินเรื่องในครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็ว่าไปนะแง่ ม, มุมที่สองคือเรื่องของในจิตนะจิตของเรายังปล่อยวางได้หรือไม่นะ เรามีการฝึกติตมาอย่างไงแล้วก็อันที่สามก็คือว่าทางแก้เนี่ยมันมีอยู่มีอยู่แน่นอนพระเจ้าก็พูดถึงมักไปแล้วอันดับที่สี่ก็คือว่าทำเลยนะเพรา ะ, ะนั้นบางทีเนี่ยเรามีมีปัญหาในชีวิตเนี่ย ก, กระเถือนมในจิตของเราเนี่ยมันบางทีมันลืมลมหายใจใเราก็ต้องหายใจเข้าลึกลึกหายใจออกเหยายาวบ้างทัสองสามครั้ง เพื่อให้เรามีสติตั้งมั่นในการที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยให้มีสติในลมหายใจนี่แหละง่ายที่สุดพ้าเรามีสติในลมหายใจแล้วเนี่ยจะค่อยตั้งสติได้ว่าเฮ้ยเราจะเดินไปทางไหนซ้ายหรือขวาดีอนะเพราะฉะนั้นให้ใหายใจลึกๆ ก, ก่อนนะ <Okay. S 2> หายใจลึกๆเพื่อจะดูปัญหาให้ชัดเจนแล้วก็เราก็ค่อยมาพิจรารณาแก้ไขไปตามเหตุตามผลนะอ่าแล้วที่แน่ๆเนี่ย บางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่ว่าต้องมาฝุกจิตฉันมีปัญหาแล้วฉันจะแก้ยังไงก็ต้องปัญหานี่มันไม่ได้เกิดแบบเกิดมาวันเดียวแล้วมัมีปัญหาเลยมันก็ค่อยๆสะสมปัญหามาใช่ไหม <Okay. S 2> แก้ก่เหมือนการแก้มันก็ต้องค่อยๆแก้แก้ไปทีละเปาะนะเราต้องแก้ไปตามแนวธรรมะด่ากันอย่าว่ากันถ้าเราเดินอยู่ในมัดค่อยพูดค่อยจาให้อดทนสิ่งในพูดแล้วเขาจะกระเสือนใจแล้วก็ หาเวลาผู้ที่เหมาะสมะสิ่งใดทําแล้วคนหนึ่งก็จะไม่สบายใจเราก็หาเวลาทําที่เหมาะสม อ, อย่างเงี้ยก็พูดจากันก่อนคนที่ใ จ, จเย็นๆพูดจากันได้เนี่ยคุณจะต้องมีสตินะเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติมากๆเลยละ่ะจะมีสติได้เก็เนี่แหละฝุดให้ใจเข้าลึกๆควันออกยาวๆสองสามครั้งจะมีสติใจเย็นลงแล้วค่อยคุยกันได้เจ้าค่ะนี่ก็คืออนานานัสติเลยอืมเจ้าค่ะ คือเราจะต้องหาเวลาที่จะมีความมีกําลังใจที่ว่าเราตั้งใจตั้งมั่นว่าเราจะต้องพยายามที่จ ะ, ะมีส ต, ติอยู่ในลมหายใจจริงๆนะเจ้าคะ่ะแล้วก็คิดหาทางว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างไรบ้างนะเจ้าคะ่ะอย่างที่พ่อจันแนะนำนะเจ้าคะ่ะทีนี้ว่าไอ้เวลาคุณบอกว่าให้มีสติให้มีสติเนี่ยนะเราจะมีเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เรามีสติก็ได้ก็คือพุทจ้าให้ใช้ลมหายใจ มันก็คือที่สุดเข้าพันออกอย่างนี้ถ้าบางทีอเหตุการณ์มันรุนแรงมากนะอย่างอาจจะเป็นพี่น้องเสียชีวิตไปหรือว่าคนที่เรารักเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นเสียชีวิตอย่างประการถันอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่อ่ารุนแรงอย่างเงี้ยเราก็ต้องหายใจให้มันลึกๆหน่อยนะหรือว่าเครื่องมืออื่นๆพระเจ้าก็มีฮะอ่าที่แนะนําไว้ก็ให้ตั้งไว้ในมินิตอนเทนทที่ตั้งความเรื่อใสอย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้ก็หมายความว่าใครก็ได้ที่เราเริ่อมใสนะ่บุคคลไหนก็ได้ที่เราคิดถึงแล้วเนี่ยจะมีจิตใจของเราเนี่ยจะมีมีเขาเรียกว่าอยู่ในกุศลธรรมขึ้นมานะผู้เชา่าก็เคยยกตัวอย่างพระองค์เองนี่แหละเป็นผู้ที่ใครพอนึกถึงแล้วเนี่ยจิตก็จะมีความเริ่อมใสอาจจะเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้อาจจะเป็นคนที่เราเคารพรักนะพอรนึกถึงคนนี้แล้วจิตเราสบายใจนึกถึงคนนั้นเลยค่ะนั่นคือนิมิต ในอันเป็นทิศท่าความเรื่องใสอย่างใดอย่างหนึ่งงคนอาจจะนึกถึงพ่อหลวงใ น, ในหลวงนึกถึงในหลวงแล้วมีกำลังใจทำความดีต่อไปไม่ผิดศีลอย่างนี้ก็ได้ค่ะ เ, เป็นตัวอย่างของคนดีเพราะงั้นเถอะค่ะนึกถึงก็ได้จะทาให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิมีกําลังมีสติขึ้นมาได้ค่ะนอกจากนึกถึงสิ่งที่พระอาจารย์ว่าแล้วยังมีอย่างอีกไหมเจ้าค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็มีนะผู้เจ้าก็อยากให้ ใชวิธีนี้เลยก็ได้เอาหักดิบนะหักดิบเลยก็คือว่าต้องข่มจิตด้วยจิตเวลาที่มีอกุรสจิตเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมีความไม่ดีคุณเดินใจจิตมันคิดไม่มีจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันบ้าบอลจิตมันมีความงุ่นง่านมีแต่อกุรสเกิดขึ้นให้หักดิบเลยจนะโดยการข่มจิตด้วยจิตดิบให้แน่นสนร้อนกัดอักขระดานด้วยลิ้นนะก็คือเอาลิ้นเนี่ยดันที่ด้านปากค่ะแล้วก็ หักห้ามใจหักดิบไปเลยว่ากันเถอะเหมือนกับคนที่มีกําลังแข็งแรงเนี่ยมาดิบคนที่มีกําลังอ่อนที่หัวดีไปแน่นเลยเขาจะหนีไปไหนไม่ได้ค่่ะอาเราต้องข่มจิตของเราเลยฉันไม่ทําค่ะไม่เทาอย่างนี้นะสิ่งที่ไม่ดีหักดิบเลยคะคอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะเจ้าคะ<ช>่ะที<ช>่พระอา<ช>จารย์แนะนําเจ้าค่ะออหักดิบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรา เลิกกันจริงๆเลยนะเจ้าค่ะบอกไม่เอาไม่ทําแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะสิ่งไม่ดีทันไม่เอาอย่างนี้แหละเจ้าค่ะก็เหลือเวลาอยู่อีกประมาณสักสองนาทีนะเจ้าค่ะยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พิบุรุณพิปุโนได้กล่าวสรุปในวันนี้เจ้าค่ะว่าอประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังจะต้องอรับไปแล้วก็ไปดําเนินการหากท่านมีปัญหาเนี้เจ้าค่ะก็ขอพระอาจารย์ได้เมตตาสรุปอีกนิดนึงเจ้าค่ะอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ ก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาในชีวิตไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะจะเป็นเรื่องของสังคมก็ได้เรื่องของคนรอบข้างแล้วแต่เนี่ยให้เราหันมาดูว่าเราต้องแก้ที่จิตของเราก่อนนะโดยการที่มาฝึกในการทําจิตให้สงบฝึกสมถาวิปัจนาเนีอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องของคนแก่อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องสูงเกินไปอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องของคนวัดเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ทุกๆุคยุคนี่แหละหน้าที่ของเราจะก้าวหน้าได้ การทํางานงเราจะดีขึ้นได้การเรียนของเราจะดีขึ้นได้ด้วยเหตุของนี้เท่นั้นเองแล้วอทางแก้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ขา้างนอกมันอยู่ที่จิตของเราให้เราหันมาดูธรรมะของพระเจ้าที่จะสามารถทําให้เรามีความดีตรงนี้ขึ้นมาได้ถ้าเราทําแล้วเนี่ยจะมารับรองได้เลยว่าเป็นทางออกที่เป็นไปตามธรรมความทุกข์ของเราจะลดลงความสุขของเราจะมากขึ้นเป็นทางออกที่ดีที่ถูกต้องให้หันหน้าเขา้าหาธรรมะจะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนที่สุดได้โจค่ะ เจ้าคะ่ะโยมก็ในานามของท่านผู้ฟังทุกท่านก็กราบแทบเท้าขอพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนเป็นอย่างสูงนะเจ้าคะ่ะที่ได้เมตตา ม, มาอ่าชี้แจงแสดงธรรมที่ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่เราคารวะเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าคะ่ะสําหรับในเช้าวนันนี้คงจะต้องกลับนมัสการลาแล้วเจ้าคะ่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับการสักษาหรือสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบุญภิปุโนในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็น แฟนรายการธรรมรับารุญแล้วก็หลายๆท่านต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ได้กรุณาทั้งโทรศัพท์แล้วก็อีเมลหรือว่าเขียนจดหมายเข้ามาบอกว่าชื่นชอบรายการนี้แล้วก็ตามรับฟังพระอาจารย์พยิบูลอภิปุโนโท่านได้ไม่ตามาอาชี้แจงสแสดงธรรมแนะนําข้อที่เป็นประโยชน์แก่เราเสมอมานะคะก็เรามากลับนมัสการลาลกันนะคะแล้วพบ ก, กันใหม่ในวันเสาร์หน้าที่14พฤษภาคมและ15พฤษภาคมในวันอาทิตย์ตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึงเหมือนเดิมค่ะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะขอนำท่านผฟังกราบนมัพส ก, การลาและขอบพระคุณอย่างสูงแด่พระอาจารย์ไปบูญอภิพโ น, โนแห่งวัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีกราบนมัพส ก, การและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะาสาธุเจ้าค่ะติดตามรัฟังรายการ ธรรมรับประทุมได้ใหม่ในวันพรนี้เวลา5้านาฬิกาถึง5้านาฬิกาสสิบนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับปณิสวัสดีครับ